ได้มาธ้รมตะการ ม, มาชมสถานที่นี้ด้ยวยเป็นมงคลในสถานที่นี้ด้วยนั่นทุกคนที่มานี้มาเฉลอ่ยชีวะส่วนดีเนั้นจะมาเ่ยมเยนวัดนี้เป็นมัดต่า สั้งมาประมาณในลาสัก20ปีกว่าเป็นป่าแล้วเป็นป่าเป็นรูปฤาษีราชญ์นทั้งหลายที่ัาถือพุทธศาสนาค่อยๆมาเยี่ยมมาเย้ะไม่้ขาดแบบนี้วันนี้มีท่านปุณิเดียร์ทั้งหลายที่ได้มาเยี่ยมวันนี้จะมาจึงขอให้ตั้งใจรับรู้ว่า อันเป็นส่วนธรรมะขององค์สมเด็จพระธรรมสัมพุทธเจ้าพอสมควรเป็นการปฏิบัติฐานตอ น, นับโดยธรรมะแบบนี้พวกเราสังขารมีความจำเป็นอยู่ว่าเรื่องที่เราทำา น, นั้นทุกวันนี้ตามที่อาตมาโดยปราศจาัผีลูกลูกล้านห ล, า น, ลานเคยมาบวชประจําอยู่ที่นี่หลายแห่งตู้จึตว่า มีกำลังน้อยกำลังไม่พอกระเพื่าตบ้านเมืองลูกหลานเรายิ่เงเพิ่งไปมาทุกวันทุกวันทุกวันอืมรากชานก็ยิ่งน้อยล ไ, ไปทุกวันทุกวันอันนี้ก็เป็นเรื่อนให้แต่ ม, มาหมักใจเลยนั่นกันแต่รับสิจนาอยู่บ่อยนั่นกันเพื่อจะให้ประเพื่าตบ้านเมืองของเรา ผู้เป็นราชานุประเทศชาติให้มีความสามสัคคีคงเพียงกันให้เห็นความจริงการชาตินี้ก็เป็นเรื่องปฏิบัติส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าบ้านเมืองเราไม่เสบายพระก็ไม่สบายทีเดียบ้านนั่นจะเป็นส่วนบ้านหลังคาเป็นส่วนหลังคาชายหลังคามันด้วยอยู่ก็ไม่เยสบายกัน อืมกลียดใส่แล ะ, ะใส่คอยคิดคิอยู่เสมอนั่นอืเรื่องมันสำคัญก็คือในมีเรื่องอะไรแต่เรื่องคนน่ะมีประเด็เรื่องมันไม่พออย่างนี้ไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกไม่พอกับความต้องการของเราทุกคนอืมความไม่พอมนะันเป็นเหตุให้เรากเกลียดใส่อืมเป็นเหตุให้เราทํางานในตรงต่อหน้าที่ของเรา เพราะอันนับของเราคือความอยากอความอยากที่มาสืบเนื่องหนังมาสืบตัวตนในความอยากนี่จินนามาทำอืมห้องของเรานั้นน่ะนั่นเป็นความอยากอยู่ตรงนั้นอิ่มต้นถ้าอื่นเยอะเอาให้มันก็ไม่เอารักถ้ามันจะเอาอยู่มันจะเอาที่เรี่ความอยากใตัวมันอื่มนัมันอิ่มเยอะล่ะอืมอิ่มในความอยากมันอ่า มันเนี่ยครับอยากเป็นความอยากนี่แหละเป็นตัวการที่สําคัญเราทั้งหลายสมาหละงับความอยากไม่ใช่ว่าเมือไดรับประทานอืมไม่ใช่ว่าเมื่ออาศัยสิ่งทั้งหลายแบบนี้อืมความอยากเนการเกิดปัญหานั้นนั่นเป็นความอยากแต่ต้องอาศัยมันอาศัยมันเพื่อให้ให้มันทําลายความอยาก อย่างมาหนี่ถ้าไม่เราถ้าเราไม่อยากมามันก็น ไ, ไม่เคยมาที่แรกของาสร้า ง, งเจ้าคือความอยากเมื่อเราอยากมาลแล้วเรามาเห็นที่นี้มาเห็นที่นี้ไอ้ความอยากเป็นคู่ที่เชื่อตั้งวร ร, รณะของเราสิ่งที่ก็ระวงังความอยากในจัญญาขอางเราในทางพุทธศาสนาแต่งสอนว่มามัดน้อย ความสันโดษนักน้อยนี่บางคนกั็พิจารณายากนะบางคนนักน้อยนะ <c oughs> น, น้อยนิดนึงนน้อยกปเติมไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ความสันโดษหรือความนักน้อยนี้ก็วเดียว่าบเท่ากันที่มันมีอยู่เรามีอะไรอยู่เราเก็รักษาตองอรงเราอยู่วันนี้ทำงานไปเวรานี้ผี้ต่อมันไปต่อไม่ใช่ว่าท่านเอาอให้รู้จักประมาณ ไอ้ความรู้จักประมาณนั่นประมาณตัวประมาณการพูดประมาณการไปประมาณการมาพัดอย่างการรู้จักประมาณนี้เป็นเหตุให้บรรเทาความทุ๊บบรรเทาความกดดันบรรเทาความอยากทั้งหลายนี้ผู้รู้จักประมาณอืมอัตมาเคยเรื่องจับยกตัวอย่างจับอย่างแม่อยู่ในนั้นมันหิข้าวเอาข้าวอะนั่นกิน กินจานหนึงก็ไม่พอให้สองจานมันก็ไม่พอจานที่สามที่สี่มันพอแล้วแต่ว่ามันเห่อยมันนอนอยู่นั่งวะในตัวขึ้นสี่จะเอาไปกินถึงในท้อมันอิ่มแต่ความอยากมันยังอยู่ชิ้นสจะอื่นมามันทางฮึ่ยฮึ่ยฮึ่แต่มันกินไม่ได้ยิ่งคือความอยากมันยังอยู่ความอยากมันอิ่แล้วพ้อมันอิ่มเนิมแตความอยากมันอิ่มไมต้นนิ่งคืนั้นพระองค์ท่านตรั์ว่า นาทีปัญหาัะมานาทีแม่น้ำเสนอีรื่อปัญหาไม่มีแม่น้าไม่ให่เข้าปัญหาไม่กว้างเข้าปัญหาไม่ยาวเท้าปัญหาไม่ลึกกว่าปัญหาตรงนั้นปัญหามันลึกกว่ากว้างกว่ายาวกว่าไั้ทุกอย่างอันนี้เป็นหลักการที่เราจะชีวิตมีตระหนากไปหนึ่งข้อสำคัญเราเมื่อเราอยู่ในโลก อยู่น้อยก็สบายอยากหาเพื่อนมากๆมาอยู่เดีตั้นเดี่ยวเพื่อนมากๆแลวก็ไม่สบายใจมันวุ่นวายราตนครับอย่างในโลกที่มันเ็นต้องมันอยู่อย่างนี้ยิ่นั่นพวกเราอยู่ในสุม่มของโลกนี้ที่จะให้โลกที่สบายยี่สุขบริรักควละอายความาสงปรัวธรรมะกป็นฮิรุความละอายอุตตรประะัว เป็นธรามที่คุ้มครองโรคอย่างดีถ้าใครมีความกลัวและจะมีความอายต่อความผู้อธรรมผิดแล้วการ ง, งานของคนนั่นจะตรงไปตรงมาจะเป็นยุติธรามสมบูรณ์้นมาข้าพจึงจัดทําทั้งสองประการเนี่ยเป็นธรรมคุ้มครองโรคอืคุ้มครองโรคอย่างดีแต่มันจะคุ้มครองได้เพราะไปปฏิบัตินันนะถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่คุ้มครองมันไม่ได้ อย่างพวกเมืองนอกชาวโหรใคร่ภาอาตมาว่าคุณท่านอยู่ในไทยเมืองไทยเป็นสาสนาพุทธทำไมขโมยงินเยอะอาตมารับเป็นที่เลยแบบยิงขโมยเงนไทยเยอะาคนเป็นขโมยไม่ชแบบธรรมะเป็นขโมยในสหรัฐหรืคงจะมีเหมือนกันนะไม่ใเป็นอย่างไทยนะคนี่้ภาษาสนร้ยก็เป็นขโมย แต่กฎหมามันดียุทธธทํามันดีอยู่อันนี้อาตมายอมรับตลวปะขโมยในไทยนี่แต่ว่าไม่ใช่ธรรมะเป็นขโมยคนผู้สอนธรรมะเนี่ยสอนไม่ดีอยู่ทั้งนั้นเลแต่ค น, นเป็นขโมยอันนี้ก็ไม่สํางันนั้นที่จะนั่นเรื่องความอยากนี่จะเป็นเรื่องที่สัมผัสยังที่การพิจารณ์ผมพิ่ารณาจะมายกถึงเร่องความรายที่อยู่เป็นคุมพ่อตันนี้ถ้าเรายด้ดยจัดแบ่งกัน อืผู้ใหญ่ตะบูนาผู้น้อยผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่มันบอเป็นภปบ้างเหมือนกันอืมย่างเจ็ดีบ้านหลังหนึ่งเป็นเจดีเอาคนใช้ามาตั้งในบ้านจะไปว่ า, า จ, จะมันจะไปดูถูกจะมันจะไม่ได้เนาะมันก็มีดีเหมือนกันคนจนเนาะร่างถ่วยก็เป็นข้าวตะเป็นเรื่องอยู่เราตะเป็นเช็ดบ้านก็เป็นซักผ้าตะเป็น ตัวเราไม่ซักไมเป็นแสดงอย่างนั้นอันนั้นเคยดีเสร็จนั้นใจดีเสร็จนี้นีนนน่จะมันจะขวนให้ปรินาพลานี้ให้คนจนนั่นจะไม่ให้คนรวยให้พทษคนรวยอย่างนั้นเป็นไงบ้านหลังที่ะ อ, ะอยู่นี้เราไม่มีความสามารถเรมีความสามารถจะสร้างผมบอก อ, อันนี้การสร้างจะไม่ได้สะสวยดีอยู่สบายดีอันนี้เป็นเรื่องของท่านอันนั้นคือเรื่องของเจ้านายเรื่องพ่อแม่ ปรปปัจฉะดูดหลานถ่ามีคุณอย่างนั้นดิฉันนั่นคนจนคนรวยนี่จะทิ้นไปในบ้านอืมอืมุกจิตจะครอวาอาจารย์ทิ้งไปนบ้าเราทังนายนี่เปนวันตันฉันนั้นเกิดมาเป็นกลุ่มก้อนอยู่ด้วยกันอย่างนั้นคุณที่จิตมันก็เกิดแล้วมันก็แก่แก่แล้วมันก็จิตจิแล้วมันก็ตายมันก็ไปในทรานองนี้เหมือนกันไม่มีอะไรมาเหือย้างในอโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ดิฉันนั่น ถ้าเราพิจารณาธรรมะอนความอยากโรคโมโทโซนั่นไม่จะผ่อนหนักคุณเบาไปด้วยที่เมื่อนนความอยากที่นั่นจะ ค, ค่อยบันเทาไปธรรมะก็จะ เ, เกิดขึ้นมาแต่นั่นทุกคนที่มานี้มีหวังว่าต้องการความสมุบต้องการความระนัดให้เป็นภูมิเนปาอาดีอาศัยซึ่งสันแลกันขาดคนใดตัวหนึ่งยังมไม่จะไปได้มันไม่สบาย ยิ legend, galaxies, player, Ren, ่งนั่นแล้วเราทุกๆคนนั่อยู่ดีทุกคนทั้นต่ำก็ดีทุกคนทั้นกลางก็ดีทุกคนท่านยอดท่ก็ดีทุกทุกคนมันเป็นไม่คนหนึ่งว่ามันจะดีะอืมยอดมันจะดีไหมใบมันจะดีนะมันมีมันเป็นคนมันอยู่ไม่ได้ละก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้อือเคยเห็นไหมเป็นเด็กจะอยากเป็นคนโตอย่างน้อจะก่อนเป็นเป็นคนเด็ก ประยากจปโตมันอุตาเมื่อโตก็จะมีอสาหนกันนะีคนอื่นเกาะเราเราเป็นห็ดเราเกาะคนอื่นเขาเปนนึงว่ามันลาบากเราอยากจะเป็นใหญ่เปนโตขึ้นไปนึมันอุายกันนั่นีเมื่อเราโตขึ้นมาจะถูกหยดมันเาะเราเหมือนกันอ่าอะไรมาชุ่งชุ่เหมือนถังขยะกจมโคหน้าเสือเหมนังขอะไรต้องมาชุ่มให้นรันเน่ยตมาเซลล์มีด ไม่เคยไม่เคยเอาของีมาฝากอรอกเอาของที hmm. ่มันดีมาฝากให้แก mm ้ป hmm. mm ัญหาให้จะต้องการทาผิดนันแล้วมหาสารมาจานให้แก้เราแก้ไม่ได้แล้วไปทาผิดจะให้แก้มันถูกไม่ได้้องทานี้มันผูกสิเดินหน้าสับเป็นเงินไปผิดอุจจาระเป็นป้เป็นเมืองชอบทาผิดอาไปมาก้องไปทําผิดไปอยากให้เราแก้นจาแก้ไม่ได้แตามันทาผิดจะไปทำมันสิ มันเรื่องมันมีฉะนั้นย่งฉนั้นเราอาจจะมาทุกวันมันจูกสุขภาพภาพดุิตก่อหนักเม่อกนยกคนนู้นหยุดได้ไยกคนนี้หยุดได้นี้ใช่หรคบอย่างนานใปประเดี๋ยวปวดจะท่านอาจารย์มันจะเคาะเราเรากหลงพอือบตายแล้วมันมีพวกนี้จะทำไงหรืออย่างนี้พระครูก็เห็นไหมต้มมันจะมีประโยชน์ลายที่มีประโยชน์ ยำต้นมันจะมีประโยชน์ทุกคนเราให้เข้ใจว่าเรามีประโยชน์ตกันทั้งหมดนี่ฉะนั้นถึงแม้เราจะอยู่ในจินพัมต่างๆกันตรงนั้นคนคนเดียวกันเหมือนพอแม่เดียวกันมีควนที่จิตอันเดียวกันไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะแยบด้อยเหมือนกันอย่างนั้นนี่ฉะนั้นควายมีสรรมาสุขิหรือสุขความละายอายต่อความผิดรัวต่อความผิดนั่นแนละอืมอยู่ดีสุขภัณเอัตบัติรั ถ้าเราอายเรวเกลียดเราเกหน้าที่ตามงานของเราเปนตตรงเมื่อหน้าที่ตามงานของเราเปนตรงแล้วปัญหามันก็ไม่มีปัญหาไม่มีมันจะสบายขนาดนั้นแหละมันเป็นแคอย่างนั้นแต่ในวันนี้ให้ความรู้สึกของท่านที่เกลียดท่งไใดในวันนี้จะน้อยแต่ว่าถ้าหากเอาไปกินนมสามากเหมือนกันมันดีจะเท่ากับยุติความละอาย องศาคงร้อนอย่างนี้สามารถที่จะให้เราทำาิลปะอารยบุคคลในภาตินี้หรืชาติหน้าต่อไปได้ดฉะนั้นทํทพูดในวันนี้ขอจงใคจงศรีษะสาอยา่ในจิตใจของท่านคุณเกียรติทางห้านจงศรีบูชาประพฤติปฏิบัติโดยอนาจของคุณพษีรู้ทรนไตรอันนี้จงปกคองฟ้องคำพโลกคำทางร้ายจงมีความบริเกณฑ์ศึตลานคือดงานที่ดี ผมว่านเนี่ยไปตังบูดดีกว่าจะได้รอบมาสบายดีจะเอาไปท่งสบายเลไปตังบูดรอบมาทังนี้ยัไม่เห็นบูดเยอะใจเขาไปขึ้นไปโบว์เรื่องตั้งใจมันโคลนแล้ว ร่ากายนเพล่ก็เลยมามันรู้ว่าระยองก็ผุด้นงหวย่ารได้นวัมาสการลุงพ่อที่ใช่รอ้ยระยอง่นี้มองว่าอว่าารหารเออเมันตื่นอียาดูมก็กรไประยองตยังงี้ดีพักนึ่งไม่ได้หลายคนนะเออเออรงนี้เนาะ เออสามารถตรงนี้น่าอ้าวมาดูนี่มันจะไปตรวจมั น, นก็มีไหวมั้งไหวมันเยอะต้องให้อยู่ตามคุณมไม่มีดีคุณไม่มีการคุณคงจะพักอยู่หลายวันมั้นเอง ทุกอย่างเดียวเลยงันก็มาไปรถไปเป็นยังไงอ๋ออ๋ออเรืองขันแต่เร่งเรองันมันกลางแข่ด้วยสองขอกด้วทางนันด้วยใก้จะพอกับพระที่มาลงรวมกันนี่แหละ มารวมสามที่เดียวกันทั้งหมด เ, เดียอ่าอออันนี้มันก็ไม่แน่นอนบางทีคนมานะ่ะคนมากบางทีมันก็เติมเวลาสุดบาทีมนน้อยมันก็เร็วข้าอาจารย์จติดใจอะไรครับยงังหกสิบห้า แตสุขภาพไม่ไ hmm. ม yeah. mm ่ไม่ดีเท่าที่มันมีอยู่เนี่ยลูกหลานมาเนี่ยลูกหลานจะไหนมาอืออุบวนนะฮานะไหนกันอ๋ออุบวนก็ต้องเห็นวัดประโคนทีหลังเขาชาวจังหวัดนหนก่อนงนอกเเห็นก่อน บนมีเห็นที่หลังครับอันนี้เป็นของเก่าไปไปหยิบมาจากในที่ต่างๆที่มันล้างไปเลยหยิบมา ừ, ขอมอ ร, รวมๆไว้ขอขอกำลังแรงทหารเราตอนนี้ก่อนมันพุกมาเลยเย็บมา นี่อที่ผมมาทาเป็นจักรยานอาจารย์ผู้ออกแบบนอาจรย์อ๋ออาจารย์บำเพ็ญบำเพ็ญครูลาดบำเพ็ญครูลาดแต่ว่ามันจะต้องจินตนาให้ เอาสัตว์ปานี้กับสัว์ปนีมาปนกันเข้ามันจะมาเคยอยู่ในปา่าในเขา้วเอาไอความรู้สึกนั้นมาปนมาปินธนาให้สัตว์ปานี้เขาตูก็จ ะ, จะออกแบบนมันข้ามกันอย่างนี้นอะรอย่างนี้อะไรลักหรือว่าเป็นในนิสัยลัก ันึ่งหลายอย่างนี่นี่คือพอพุทคุณธรรมคุณธรรก็คุณอยนเนี่ยอันนี้มันเป็นอย่างนี้ยาเรดูแล่งเรดูแลมาเพมันยา มไม่สูงโตมากที่เขาไม่โตอ่ะไม่ตอะอต้อพันนี้ทงน้ำหมดอ่าอันนี้ไม่หมดบางส่วนเนี่ยทังน้ำมันดูเปต๋อทั้งนั้นแต่ตรงนี้กลัวว่ามันอาคารมันใหญ่โตมันจะไม่ท้ายวอนต่อไปเลยเอาพอสมควร ทั้งหน้าอยู่แถมทั้งนอกต น, น, นี้นี่หนอองแบบนนี้สถาปนกราดมรนี้นบบโบสถ์ยุคโบสถ์ยุคใหม่ตรงนี้ข้ออดาประธานเามาเรีนยนในทราบว่าวันที <c ans> น่อีกที่เข <c ans> าจะนำเกันมาตรงจะเป็นข้าประธานยืนแต่ต้องทำอย่างนี้ <c ans> ไั่ให้มีฝาสนังทำโรงรอนเพราะว่านี่อย่างนี้นนขมโมยมเอาของปมยสิอันนี้เรามารับเรื่องมอันนี้คืบอบทการโจรโจรมันมามองไม่เหนอะไรสุตัานั้นแหละเนาะนี่เป็นงนอะไรของเราแหละจะไปทประปูดเนี่ยมันพังหมดเลยอนี้เดียวอันนี้ทางทางีมันจะมาดูว่านี่มีอะไรเอาั้แต่ว่าต่อไปจะ ต, ต้องไมา นม่ไม่เอาแล้วที่อือืมถักทหามาทานจะนังไปไหนอ๋อมาจากพุทเจ้าอาจารย์สิบบูบุตรเป็นผู้ออกแบบท่านสูงประมาณทุ๊กศีนี่มีใหญ่อันนี้องค์จำลององค์จำลองจำลองมาว่อนไม่ไม่สอนก็้่ะานก็ลูกนี้ลูกนี้แต่ใหญ่ม่สูง ประมาณสี่นิ้วไงอยากน้ำฝนไม่ตกเท่าไหร่ครับผมประมาณสีร่ร้อย<น>คิวตรงนี้นาเลยต้งช่วยชนะการและผลผลิารวมถึงเอออายุเดินทนั้งอ่าอย่ดูกระดูมารอบท่นี้ก็ได้มาดูข้างหลังมันดูดแล้วจะดูข้างหลังมันเนี่ยนไ่พอบเ มันเย็นดีอันนี้เป็น่อันนี้มี่คือผังน้ำที่อาน้ำน้ำเอารงนุตอกนุ่นเลยเกิดชอบแค่นี้เลเยอลานอืาันนี้เป็นทางหลังมันถ้าจะสร้างมุนประมาณเกประมาณ้ามล้านเย วัวหนึ่งอ่ได้เลย่โบสถ์นี่เป็นจุดทึงของวัดจรงเจ้ประตูระมยทึงตรงนี้ไปนี่ทึงหึ่งโยงขีอยู่ทางนี้อืมดมีทั้งขนเหนือทั้งทีใต้นี่กติประมาณนี้สักมาณสักพอทราบประมาณสักเกิอบสี่กหลังโยงทีส็เหมืนเหมือนกับสะเท่าขโมย ไม่ไม่แต่ว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นแม่วงใหญ่ๆหนึ่งเป็นเป็นบ้านเก่าครับสมัยนั้นบ้านของคนเราเนี่ยมันหนีตายกันถ้าบ้านมันมันวุ่นวายเขาเกิดโรคระบาดมาตายสามคนหนีในห่วงบ้านเอาสจะทที่ใหม่อีกดูเรื่องไปยางไงมันนี้คุนเล็บเป็นไม้มันปูกไว้มันเป็นบ้านเก่าครับ อืมอโดยมากนี่มันเป็นระบบจนอาหารของกรปแตอาหารของจัต่าสโดวมา ก, อ, ก อ, อันนี้เป็นทางหลังนะีน่ยประมาณกสามล้าน ยไม่สร้างม่เลยนี่อันนี้่าแรงเาหนิ่าแรงเขาเจ็บแกว่าในเวลานั้นอันนี้เม่อสองสปีัันนี้สร้างยสสกว่าปีสร้างเสร็จอันนั้น ในเพื่อนเพื่อนของคนคนนั้นคนสองคนนั้นอันนี้เป็นประสบการณ์ดี m ันนี้คงดูรูปยังไงดูแล้นะจังไงจังไงแบบเพิ่มนิดอันนี้ ันี้จะป็นธตองีะคอนผสมมันมีะอสมานมู้ไอ้างนมันเป็นรูปปัติของอัตมาคือเดินเปนมที่ไปปฏิบัติมันประสบตานเป็ตาางในอเ่ห้ัตคิดน้หเา้พะเหตุไรรู้ มืนไม่อยากให้ตายไม่อยากให้ตายไม่อยากเสือรากันนี่ยนั่นคนมันจึงต้องคิดของคนง่อมันต้องคิดของคนง้อนั่นไม่จะคนสลาดไอ้ความจริงนักธรรมะนักพุทธศาสนามันควรหมันลาดเราฟังธรรมกันมันก็ยิ่งมันฉลาด อันนี้เราแจงนี่เราแจงจะไปฟังธรรมไปคุยครรมเยี่ยงยืนเนี่ยไปคุกันเรื่องเงินธนาคารไปคูยกันเยื่องหลอกเบื้อะไรอะไรเจ้นี่เจ้าจิ้มเจ้าแนาะลูกสะห้ยลูกเขยมันจะเกดไปจะู่่งโงจนมันตายเนี่ยถึงมันตายมันก็มาร้องไห้หรือหน้าโตกยังเห็นีหมมนความโง่ตรงนั้นเนาะไม่เคยมทํให้จะทำไงไม่มีใครจะเปลีนแปลมันจะทาอะไรอืมี่นแปล เมื่อตายก็ไม่ยอมกันสิหลวงพ่อเอ้ยคนคนนี้เป็นคนชีวิตเป็นคนดีนะเป็นคนอบอ้อมอาดีเป็นคนใจบุญพืนฐานคือมันตายไปถึงดีคื h มันไม่ตายอมันเป็นอะไรกันหรอกนั่นเป็นเพราะอย่างนั้นใจมันร้เสียงมันไม้ายเพราะว่าไอคคิดมถูกครับถูกกับถูกของคุณมันม คิดแบบนั้นเนี่ยคิดจะร้องไห้อืมมันถูกทำมะมันก็ก ม, นมีแตมันถูกความคิดของคุณมันเมือมันถูกความคิดของคุณคุณก็ร้องไห้เท น, นันเนี่ยเมื่อคิดเมื่อมันมนมันถูกตามธรรมะแล้วคุณก็สบายใจนี้ถ้าคุณจะร้องไห้จริงๆเนี่ยไม่ควรร้องห้ในเวลานี้เนี่ยดีกว่าเมื่อคุณจะร้องไห้จริงอดไม่ได้นคุณจะร้องไห้ไปเม่มันเกิดมาเนี่ย เนี่ยตกมาจากก้นร้องนั่งร้องไห้ทำไมแกมาตายอยู่เนอะร้องไห้คงไม่ดีกว่าอันนี้มันตายเยอะแต่มันตายถึงมาร้องไห้มันจะเกิดประโยชน์อะไรอือตายถึงวันนี้มันเกิดเมื่อไหร่เนีมันเกิดเมื่อแต่วันเกิดวันมันเกิดทำไมคุณมาร้องไห้อือตายมีทําไมคุณมาร้องไห้ถึงมันตายเกิดประโยชน์อะไรไหมถ้าคุณนับนับทีวนามาแต่วันเกิดคุณจะไม่ร้องไห้วันนี้อันนี้คุณคิดในสิ่งนี้ ออคนที่ตายเดี๋ยวนี่คือมันเกิดมาวันนั้นมันเกิดมาตายตายวันนี้กต่คือมันเป็นเชื่อมันเกิวันมันเกิดถึงวันนี้มันถึงตายแต่คุณมาล่องให้ตอนนี้มันเป็นบ้ามันตายไปแล้ว <c oughs> ถ้าเป็นนักมวยก็แพ่ครับถ้าโกคผูกเลยชุนดีตายเลยไอ้คนจะคุณเลิกส า, ายใหม่จดีวกว่า มีคนหนึ่งเป็นจ่าในบวชหลายพิญญกันนีคนนั่นก็คือมาหาผมไยิสิ่งี่จผมมามเชื่อปัญหาของคนหนึ่นงี<ม>้คนสุขสบายเลยยีต่สองม้าคนน้าสตมาหากลาน้ า, าสววาไวไม่เคยยีวมาจะไห้โวมาจากอำนาจะเหนภาพกันโวยรอดมากผมุกข์มากเบใหญ่มาก มั้นผมเป็นพ <Türkiye> like, anyway ี่สาวของน้อพ่อของจึมาเพ่อวันเช้าทุกผมผมเป็นปิดใหญ่เรื่องใหญ่เี่ยนใหญ่อะไรฟังไฟลมอะไรองีคมันเลื่นไปไหนนะนตมาตกใจมันเป็นโยมว่ามันจะ็นเลี่อนใหญ่มาพดให้ฟังว่าเงีตายมันเลี่นหรือมันเลื่อนธรรมดาเหมงบตายี ผัวกระจายเมียกระจายลูกกระจายใครกระจายหมดมันเรื่องเล็กมันเรื่องธรรมดาของมันแล้วโยมไปคิดว่ามันเรื่องเล็กเรื <S <S <S> <S ่องหยุดมันจะเรื่องใหญ่ตกใจนีอตมาก็ยังใจหายไาเมื่อโยมมาเรื่องใหญ่ถามไปถามมาเลยว่ามันเรื่องคนตายมันเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่แล้วมันเรื่องธรรมดาว่ามีเพ่มีใจกับคนพ่อแม่พ่อแ่หยิ่งใเนเรื่องธรรมดา คุณค right? er e ิดใหม่ไหคะคุณจะคิดแบบมันใหญ่มันใหญ่ีมันลกมันยหยุดมีการพูดในใจที่ไหนในทางนไปคิดอย่างนั้นในความทุกข์มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าคิดในความสบายใจเกขึ้นมาเพราะุน่ะคิดถปัมมาทิฏฐินั่น ในวันนันไปเจวนั้นไม่ตื đó, ่หนาจันลิบอกว่าคุณมาจากได้เนี่ย้ามจผิงคนนึงนี่เนี่ยคนที่องออขนาดนั้นฉันจะคไม่หมด้คจะหดมากมายแก่แล้วเนเออเว้ยเอ้า่งเอาอนหน้ามันยัไม่พเเน้อยวันกลับไปาเนี่ีจะหา เพราันรม่หมด้อืมมันเป็นหมดแน่ๆเลยคนน่รูงๆอืมจริงๆบคนมารอยนจิตอันั้นมันจกอลนนั้น่ะอืมมันะพุกขึ้นมาอืมะบามันบางคนต้องตรวตัวจดูยันพระที่มาอยู่าอนอาศัยเป็นเพื่อนกันไปทบุญบารื่องใ่ากันม หนอาใัอยโอ้มาผมเขามาเู้มาจมี่านเลย้ช่วยช่วยอะไรผมเป็นโยกเออผมก็ช่วยได้แต่ที่ว่ามันจะนำหมอมาดูันบจหาหมอจะช่วยยังให้มันเป็นโรกช่วยันดทาน่ช่วยไม่ได้วยเองผมก็ยังช่วยไม่ได้ผมยังรอรับคำสั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็เลย zoom ไปหาหมอตภาวิ ไปคนกลับมาที่เป็นมังคีแน่แต่มาหลว่อโลกนี้รักษาไม่ได้แล้วอยู่เป็นโลกมะลุนมันรวมกันท้งนี้ตาของใครออกเป็นโรกมะลรนหลวงพ่อมีบอกแล้วว่าเป็นมังคีมาผมตั้งแต่ลตามจนมาพูดกันเดี๋ยนี้นักปฏิบัติมาอายุเป็นรุ่เดียวกันนี่จะให้ใจใจมากจรินๆแต่ทำในในระยะมันเป็นเนอ่อนไปหน่อย ในการเป็นดีบัตวันนะั้นผมอ่า น, น, นหานังสือเ่วกัมก็เลือกมาเนี่ยทลูกจุดทอเป็นโรคมะเร็งเนียถ้าว่ า, นะ า, าตายในนานรึผมหวเลย น, นะแต่ท่านสัง่งใจดีนะอบอกผมบอกการํำหมอครับอย่ก็โดดมาเดือ